ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องฝึกตนฝึกติโดยสมณะทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่ส1อตุลาคม2547ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ จเจริญธรรมพวกเราทุกคนวันนี้ก็เป็นอีกเช้าหนึ่งนะที่พวกเราได้ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็คือรอดตายมาได้อีกหนึ่งวันการรอดตายก็ได้เป็นบุญแล้วนะเพราะอย่า ง, งน้อยๆการได้มาฟังเทศฟังธรรมนะก็เป็นกุศลอย่างหนึ่งเป็นการได้สร้างบา ร, รมีอย่างหนึ่งตื่นมาตอนเช้าๆนะได้ทํากิจวัตรที่ดี ก็เป็นการสร้างบารมีกุศลให้กับเราเพราะฉะนั้นหน้าภาคภูมิใจนะไม่ใช่ตื่นขึ้นมาแล้วก็มานั่งซึมตาซึมเศร้าโศกวันนี้รอดมาอีกทําไมก็ไม่รู้วันนี้กลุ่มตั้งแต่เมื่อวานยังไม่หายเลยนะ้บางคนก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก่อนนอนก็นอนด้วยความทุกข์ความกลุ้มบางคนบอกว่า ถ้าได้นอนแล้วเนี่ยน่าจะลืมๆพอตื่นมาก็จะหายอันนั้นมันไม่จริงอมันก็เหมือนกับคนที่เขาชอบบอกว่าอะไรนะไปกินเหล้าแล้วดับทุกข์มันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะพอหายเมามันก็เหมือนเดิมอะไเพราะฉะนั้นแล้วนะมันอยู่ที่สภาวะจิตใจเราถ้าเรารู้จักปรับนะรู้จักเปลี่ยนแปลงรู้จักแก้ไขจิตใจเราเอง อะไรๆต่างๆในโลกเนี่ยที่มันทุกข์มันกุ้มมันก็มาจากจิตใจเราทั้งนั้นแหละมันไม่ได้มาจากคนอื่นไม่ได้มาจากอย่างอื่นหรอกเพราะฉะนั้นถ้าเราปรับจิตใจเราได้นะทุกข์มันก็จะผ่อนคลายลงก็จะทำให้เราเนี่ยเออรู้สึกค่อยๆเบาขึ้นมาการนอนหรือการไปใช้อันุู่นดับใช้อนี่นดับมันไม่ได้ดับทุกข์จริงๆมันเปลียงแต่ทาให้เราลืมๆหรือว่าทาให้สมองเรามัน ซึมๆเบร์เบไปเท่านั้นเองนะซึ่งบางทีเดี๋ยวพอมีสติตื่นเต็มขึ้นมานความรู้สึกนึกคิดอะไรต่างๆที่ทุกที่กุ้มมันก็คืนมาเหมือนเดิมเพรานคนเรายาจะพ้นทุกข์ได้ก็อยู่ที่การหัดปรับจิตปรับใจเราจริงๆแต่ตอนนี้ใครจะปรับได้เก่งอ่ะไม่ใช่อยู่ดีๆก็มานั่งนึกเอาแล้วก็ปรับปรับปรับเอออย่างงั้นได้ดีก็เก่งอสิ ความจริงมันไม่ง่ายอย่างนั้นความจริงมันต้องฝึกฝนเหมือนบางทีเนี่ยเอาอากาศร้อนๆแล้วเราก็บอกว่าไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อน <c oughs> คุณว่ามันไม่ร้อนจริงๆหรือเปล่าแล้วพยายามปรับใจไม่ให้มันแบบว่าโอ้โหอึดอัดไม่ให้มันทุกข์ไม่ให้มันร้อนไปตามอากาศถึงคุณบอกยังไงอากาศมันก็ร้อนถูกไหมแต่ใจไม่ร้อนก็ได้ถ้าคนที่ปรับได้จริงๆ แต่ถ้าปากพูดนะว่าไม่ร้อนไม่ร้อนแต่ใจเรามันไม่ได้ปรับนี่ใจเรามันยังคงรู้สึกว่าร้อนร้อนร้อนแม้ปากจะพูดว่าไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนมันเป็นไปไม่ได้ถ้าอย่างนั้นน่าจะให้หายร้อนได้มันมันไม่ร้อนแล้วนะอากาศมันก็ยังคงร้อนอยู่เหมือนเดิมแต่ใจเราก็ยังคงร้อนอยู่เหมือนเดิมอีกนะเพราะนั้นมันต้องปรับใจได้จริงๆริงพอปรับใจได้เนี่ยใจมันจึงจะไม่ร้อนได้ แม้อากาศข้างนอกมันจะร้อนแต่ใจไม่ร้อนละแต่ตอนนี้อยูอ่ดีเนี่ยให้ไปบอกแล้วก็ให้ไปสั่งอย่างเงี้ยถ้าใครไม่ฝึกการปรับจิตปรับใจมาทํำยังไงก็ปรับไม่อยู่นะเพราะว่ามันไม่เก่งมันไม่ชํานาญเพรา้ในคราวนี้เนี่ยมันจะแก้ได้มันก็ต้องฝึกจริงๆเหมือนคนมาฝึกนั่งสมาธิเหมือนกันนะนะบางคนสายฟุ้งๆอ่งเงี้ยมานั่งถึงแล้วก็สั่งมันนะ บอกใจ ว, นะนะนะใว่าอย่าฟุง้งนะอย่าฟุง้งนะอย่าฟุ้งนะท่องเลยให้ท่องเลยท่องมาอย่าฟุ้งอย่าฟุ้งในขณะที่บอกว่าอย่าฟุง้งอย่าฟุง้งมันไปไหนต่อไหนแล้วอาจจะไปเที่ยวรอบโลกแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นคราวนี้มันไม่ใช่อยู่แค่ตอนที่เราสั่งหรือเราบอกเท่านั้นนะที่มันจะแก้ได้ทันทีทันใดแต่มันอยู่ที่ชีวิตแต่ละวันที่เราปัสสะที่เราเจอ จะกินอยู่หลับนอนจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราได้ฝึกฝึกที่จะสั่งแล้วก็บังคับจิตของเราเนี่ยนะให้มันเป็นไปตามจิตหรือว่าเป็นไปตามใจเราได้ไหมนะไม่ให้โกรธไม่เกลียดไม่ให้ไปรักไม่ให้ปไหปหลงไอ้หนยไอ้นี่คุณบังคับได้หรือเปล่าอ่ะบางคนน่วิชาความรู้ท่วมหัวแต่บังคับจิตตัวเองไม่ได้ บางคนร่ํารวยมหาศาลนะมีเงินทองจะสั่งจะซื้อจะอะไรก็ได้แต่บังคับจิตตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตจึงเป็นใหญ่จิตจึงเป็นประธานเพราะถ้าใครบังคับจิตได้คนนั้นถึงจะพ้นทุกข์ได้ั้าใครบังคับไม่ได้ก็ยังพ้นทุกข์ไม่ได้หรอกต่อให้อยู่ท่ามกลางมิตร ด, ดีสหายดีถ้าเรายังบังคับจิตเราไม่ได้นะเราก็ยังคงทุกข์อยู่ เพราะว่าอยู่ท่ามกลางมิตรีสหายดีแล้วจะไม่มีผัสสะหรือจะไม่มีกิเลสหรือมันไม่ใช่กิเลสมันก็ยังมีนะมีคนโน้นคนนี้ทาให้ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างทำให้เราแบบว่ามองแล้วก็รู้สึกน้าหมันไส้บ้างมองแล้วก็รู้สึกทุกบ้างมันมีได้ตลอดเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยสามารถที่จะฝึกนะคราวนี้ เริ่มด้วยสัมรวมอิมมนทรีย์และสัมรวมอินทะรีย์ก็สัมรวมเนี่ยแหละนะตาหูจมูกนะลิ้นกายจนไปถึงใจเราถ้าเราสัมรวมได้เราก็เริ่มมีสตินะอย่างสำโคตรชงเนี่ยสติคอยระวังละเวลาไปพัสสะกับใครหรือบางทีไม่ต้องกับคนบางทีไปพัสสะกับหมาสักตัวนึงพัสสะกับแมวสักตัวนึง มีบางคนกะทุบกลุ่มพ่อแมวมาแล้วก็มีเอาเรื่องเอาราวกับแมวก็มีนนจนแมวนี่โดนเตะกระเด็นมาแล้วก็มีเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้ในชีวิตเราแต่ละวันมันภาษาได้ทั้งนั้นเยอะแยะคราวนี้โดยเฉพาะกับคนอันนี้แหละเป็นเรื่องที่ยากที่สุดเพราะคนพูดภาษาคนนะถ้าเราไปเจอแมวหมาไปเจอนก ไปเจอกาไก่อะไรที่ไหนบางทีมันด่าเราเราก็ยังฟังไม่รู้เรื่องออหรือว่ามันเล่นงานอะไรเราเราก็ยังเออฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะบางทีเราก็ไม่โกรธใช่ไหมเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องว่าจะรู้ว่าเราไม่กรวจริงได้ไหมมันต้องโดนจริงๆอ่ะต้องโดนด่ารู้เรื่องนะ <ES> เ, เขาด่าเราอย่างนี้เขาว่าเราอย่างนี้หรือว่าเขาเล่นงานเราอย่างนี้เขาประชดประชันมาออหรือว่าบางทีเขาก็ แกรงเรามาอย่างนี้พอเราโดนเราเจอเสร็จเอาละสิคราว น, นี้ปรับจิตได้ไหมปรับใจได้ไหมเรารีบปรับใจก่อนถ้าปรับใจได้แล้วเดี๋ยวปากเนี่ยมันจะปรับได้ถ้าใครยังปรับใจไม่ได้แล้วรีบอ้าปากก่อนนะปากมันจะไม่ไปตามที่เราอยากจะบังคับแล้วนะแต่มันจะไปตามใจใจที่อะไรใจที่สมมติว่าโกรธไม่ชอบใจ ปากมันก็จะส่งเสียงออกไปตามความโกรธหรือความไม่ชอบใจก็จะเป็นไปตามนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเองเนี่ยเรารู้ตัวแล้วเราก็เออฝึกซะฝึกบังคับให้ได้ถ้ารู้ว่าถ้าอ้าปากแล้วเนี่ยนะตอนที่เรายังบังคับใจไม่ได้อย่าอ้าปากถึงให้หัดถ้าอย่างนั้นนะปิดปากไว้มีมือก็ยกมือขึ้นนะเอามือมาปิดปากไว้ อย่าให้มันหลุดออกไปถ้ามันหลุดออกไปเนี่ยเสร็จคราวนี้มันไม่ใช่แค่มโนกรรมแล้วนะมันไม่ใช่แค่คิดจะเล่นงานเข้าในใจมันเริ่มออกไปทางวจีกรรมแล้วถ้ามันหนักกว่านั้นถ้าไม่รู้ตัวอีกยังบังคับไม่ได้ต่อไปอีกมันก็จะโตขึ้นคราวนี้มันก็จะเป็นไกยกรรมแล้วมันไม่ไม่หยุดยั้งแค่วจีกรรมซึ่งตรงเนี้ยถ้าเราเข้าใจได้เราก็เออจะรู้คุณค่า รู้ประโยชน์ที่ว่าเออทำไมเรามาถือศีลเรามาปฏิบัติธรรมเรามาฟังเทศฟังธรรมเนี่ยอุตส่าบางทนะีทิ้งบ้านทิ้งช่องอุตส่ามาอยู่พุทธสถานเพื่อที่จะฝึกฝนตัวเองบางทีลืมลืมว่ามาเพื่ออะไรทำไมถึงลืมลืมเพราะว่าตอนนี้ ความโกรธ ม, ม, ม, มันขึ้นหน้าแล้วลืมหรือบางทีความโลภมันขึ้นหน้าแล้วลืมมานะมันขึ้นแล้วลืมลืมเป้าหมายลืมความต้องการจริงๆของตัวเองคราวนี้ไปคิดถึงความต้องการของใครต่อใครหรือของคนอื่นหรือของอะไรก็แล้วแต่มันจะลืมเหมือนกับพระเนี่ยถ้าบวชมาแล้วนะถ้าเกิดน่บวชไปบวชไป อยู่ไปอยู่ไปแล้วคิดจะสึกขึ้นมาผู้เจ้าท่านจะถามว่าอ้าวเธอระลึกได้ไหมถึงว่าเนี่ยเธอมาบวชเนี่ยเพื่อต้องการอะไรเพื่อเป้าหมายอะไรที่จะมาบวชว่าจริงจริงคนเราเนี่ยนึกจะมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆเป็นเรื่องที่ต้องตัดใจหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นการจะตัดใจหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ต้องมุ่งมั่นใช่มเพราะช่วงนั้ น, นจะต้องมี ความแข็งแรงหรือว่าความเข้มข้นของจิตใจที่จะมุ่งหน้าที่จะมาเอาดีอย่างนี้ให้ได้เนี่ยตอนนั้นมันจะมีพลังสูงมีพลังแรงมากมากเพราะนั้นพอจะมาคิดสึกพุทธเจ้าท่านก็นย้อนถามกลับไปเธอจำได้ไหมว่าครั้งแรกที่เธอมาเนี่ยเธอมาเพื่อต้องการอะไรเพื่อที่จะให้ระลึกคือบุกเพยนันเองระลึกถึงพลังอั น, นั่นแหละ นึกถึงเป้าหมายอันนั้นแหละนึกถึงจุดอันนั้นแหละเพื่อที่ถ้าระลึกได้เนี่ยเออมันก็จะได้ฟื้นพลังของความเข้มข้นนะของความตั้งใจของความมุ่งมั่นนั้นขึ้นมาถ้าระลึกขึ้นมาได้มันก็จะทำให้ อ, อ่มีพลังขึ้นมีพลังขึ้นขึ้นขึ้นแล้วมันก็จะปรับจิตแล้วก็จะเปลี่ยนใจเราได้นะหรือไม่ก็บางทีท่านก็จะถามว่าเธอจาได้ไหม นัเธอบวชที่ไหนบวชนี่หมายถึงว่าที่นั่นเป็นสารที่แรกที่ทำให้คนนั้นเนี่ยได้เปลี่ยนจากเพศขรุหัดมาเป็นนักบวชนะมันก็ต้องมีความประทับใจหรือว่ามีความจดจำนะสิ่งเหล่านี้เป็นการบุเพย้อนกลับไปเพื่อที่จะถามหาหรือเพื่อที่จะทวงถึงจุดที่มีพลัง ที่อยากจะให้เราทำดีเนี่ยจุดนั้นน่ประเด็นนั้นน่นะบวช ท, ที่ไหนเออเพราะว่าคนเราก็มักจะจดจาสิ่งแรกๆนะในความประทับใจถ้าเป็นคนโรคๆเขาก็บอกว่าใครจำรักแรกได้ไหมถ้าเป็นโรคๆเข า, านะแต่ถ้าเป็นนักบวชก็จะถามว่าเธอจำได้ไหมเนี่ยบวช ท, ที่แรกนี่คือที่ไหนก็จะเป็นอย่างนี้ ซึ่งจริงๆก็ไม่มีอะไรอื่นเลยเป้าหมายมีเพียงอย่างเดียวก็คือให้เราเนี่ยหัดระลึกหัดปุเพไปถึงจุดหรือว่าไปถึงสิ่งที่เราทําดีๆขึ้นมาได้เพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าใครเป็นนักปฏิบัติธรรมต้องพยายามระลึกถึงระลึกถึงเพราะว่าระลึกถึงสิ่งเหล่านี้ได้จะเพิ่มศรัทธาเพิ่มจิตเนี่ยให้มีพลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น บางทีเนี่ยบางคนก็ขึ้นไปที่พระบรมสารีริกธาตุขึ้นไปเราก็ไปกราบกราบเสร็จบางทีเราก็ระลึกถึงคุณของพระเจ้าแรงต่างกันนะเอ้าบางทีก็ช่วยคลายจิตคลายใจเห็นไหมเราระลึกถึงสิ่งดีๆแต่แปลกบางคนก็รู้นะว่าระลึกถึงสิ่งดีๆแล้วจะเพิ่มศรัทธาเพิ่มพลังจิตให้กับเราแต่ไม่ชอบอ่ะชอบไปนึกอะไรไม่ค่อยดีทําไมคนโน้นชอบพูดมาก ทำไมคนนี้ถึงได้ทำอะไรก็ไม่เห็นเข้าท่าเลยคือชอบไป น, นึกของไม่ดีไม่ดีของคนอื่นเขานะคนนี้ขาดทุนย่อยยับเลยชีวิตแต่ละวันขาดทุนไปเรื่อยติดลบไปเรื่อยนะเพราะจิตแต่ละวันเราก็สะสมไอกของไม่ดนะีของไม่ดีของคนอื่นด้วยนะเอามาเก็บใส่โกดังโกดังจิตของเราสะสมไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยเออย่างนี้แล จิตของคนนั้นจะดีได้อย่างไงนะที่ยวไปเก็บสะสมนะ่าจนกระทั่งกลายเป็นคนเพ่งโทษคนอื่นไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวนะว่ากลายเป็นคนเพ่งโทษคนอื่นแต่ไม่รู้ตัวเพ่งโทษก็คือมองคนอื่นเขาเนี่ยมองอะไรมองอย่าว่าแต่คนเลยมองแมวมองหมูมองมองนกมองอะไรก็แล้วแต่มองไปเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเอาสัตว์ก็ได้ ทีมองเสาสักต้นหนึ่งก็ยังรู้สึกไม่ค่อยชอบใจเลยนะไอ้เสาต้นนี้มาอยู่ตรงนี้ทําไมมันลุกขวางหูขวางตาเอามองเสร็จแล้วคิดแต่ไม่ดีแหละก็สะสมไปเรื่อยสะสมไม่เรื่อยมองกี่หนกี่ครั้งแต่สะสมสิ่งเหล่านี้ไม่รู้คนนี้จะสบายอกสบายใจจะปลอดโปร่งใจได้หรือเปล่านะพอจิตมันไม่บริสุทธิ์ผ่องใสได้เลยจิตที่คิดอะไรแต่สิ่งไม่ดีนะไปสะสมสิ่งที่ อะไรเลวร้ายของคนนั้นคนนี้เขาเออลจิตจะบริสุทธิ์ผ่องใสได้อย่างไรมันไม่มีทางหรอกมันเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นบางทีพอเวลาพูดจาเวลาแสดงออกอะไรมักจะระงับอารมณ์ไม่อยู่เพราะมันมันก็เป็นไปตามสิ่งที่เราสะสมมาไว้ใครสะสมไปเชิงสายโทรสามากๆนะไปเพ่งโทษหมายถึงว่ามองอะไรในแง่ไม่ชอบใจไม่ชอบใจ พวกนี้ก็สะสมสายโทสะไว้มากมีอารมณ์มีอาการเวลาแสดงออกถ้าถ้ามีสติอยู่หน่อยก็อาจจะเออยังพอควบคุมได้แต่ถ้าเกิดเผลอเมื่มอไหร่ไอ้ที่สะสมมันมีฤทธิ์มากกว่าสายโทสะก็จะออกมาในทางรุนแรงมาในทางโทสะส่วนใครที่ไปสะสมทางลาคะนะทางกามอ้าคนนี้ ก็สะสมสิ่งเหล่านี้เข้าไปนี่ก็เพ่งโทนเหมือนกันนะมองอะไรแต่อะไรก็มองไปในแง่นะความโลภมองไปในแง่ของกามของราคะสะสมพวกนี้เข้าไปมากๆมากๆมากมาเวลาแสดงออกก็แสดงออกในลักษณะของกามมันก็เป็นจริงอ่ะก็ใครสะสมอะไรไว้ยังไงออกมาทางวิจีกรรมออกมาทางกายกรรมมันก็ออกมาตามจริงของคนนะนะั้นน่ะ นอกจากคนที่เริ่มปฏิบัติเท่านั้นแล้วเริ่มรู้จิตตัวเองคราวนี้เราก็เริ่มมาบังคับใช่ไหมว่าบางทีจิตเนี่ยสมว่บกามมันขึ้นมาอย่างนี้เรารู้ตัวแล้วว่าเอจิตเราแักจะมีกามมากแล้วเราก็พยายามต่อสู้พยายามบังคับมันในขณะที่เราพยายามสู้บังคับนะจริงๆแล้วกายกรรมหรือว่าจีกรรมเนี่ยมันก็อยากจะออกไปตามจิตที่มีกามมีราคะอยู่ แต่ตอนนี้เราสู้กับมันเราก็ไม่ยอมใช่ไหมไม่ยอมให้มันออกไปอย่างนั้นบางคนอยากจะส่งตาหวานๆให้บางคนอยากจะส่งคำพูดหวานๆให้แต่พอเรารู้ตัวเราก็พยายามฟื้นพยายามบังคับคราวนี้ตามันก็เริ่มเค็มขึ้นมันไม่หวานแล้วมันก็เริ่มจืดลงนะมันเริ่มจืดลงจืดลงแล้วมันไม่หวานเหมือนเดิมเพราะรออะไรเพราะเราพยายามบังคับที่จิตเราเนี่ยก่อน มังคับจิตเสร็จจิตมันก็สั่งไปที่ลูกตานะว่าอย่าไปเชื่อมให้มันมากนะนะลดลดน้ำตาลลงหน่อยเ อ, อ, อย่าอย่าอย่าหวานนะักพูดอย่างนี้เนี่ยแม้แต่แม่กลัวแม้แต่คนปรุงอาหารก็คือใครสะสมกรรมสามสะสมราคาไวมา้มากๆๆๆๆ า, า, า, า, าอ้าก็ชอบใส่น้ำตาลเยอะนะจะบอกให้รู้ไว้ด้วยเออก็าสาโซดาก็ใส่เกลือเค็มหน่อย ใส่เกลือมากหน่อยใครสายลาคะก็แหมชอบแก่แก่หวานอืมวันบางทีเนี่ยทำไมเราบอกว่าเออเราจะปรุงอาหารเราจะปฏิบัติธรรมบางทีเขาถึงบอกเอาให้ให้ลสอื่ดลงมาอย่าไปเข้มข้นอย่าไปแก่หวานอย่าไปแก่เค็มนักจริงๆเนี่ยมันเป็นภาคปฏิบัติแต่ถ้าใครไม่รู้ตัวคนนั้นก็ไม่รู้เรื่องก็ยังคงไปทา ทำไปตามจิตตามอารมณ์ที่ตัวเองมีก็เลยไม่รู้สักทีว่าเอ๊ะการปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยเดินมักองแปมันเป็นยังไงจริงๆมันมันอยู่ในชีวิตเราเลยนมายังเคยยกตัวอย่างว่าบางคนเนี่ยกินก็เร็วเดินก็เร็วนะทำงานโอ้โหไวอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะถ้าทำไปโดยไม่มีสติไม่รู้ตัวทำไปตามสภาวะของจิตใจที่มีอยู่ บางทีเขาไม่รู้ตัวหรอกอย่างไงเราชอบอย่างไงเราชังเรารู้ตัวแต่บังคับหรือเปล่าบังคับจิตไม่ให้มันเป็นไปตามความชอบกับความชังนั้นหรือเปล่าพูดอย่างนี้ไม่ได้ไหมายความว่า อ, อ๋อถ้าทำอย่างนี้เดี๋ยวเหมือนอะไรเนี่ยคนแม่ครัวพ่อครัวที่ปรุงอาหารเนี่ยเราบอกว่าอ่าอย่าเค็มไปสิอย่าหวานไปสิ นะคราวนี้บอกว่าเอาต้องให้มันจืดลงมาคราวนี้ก็เลยทำอะไรทำให้มันจืดหมดเลยนะ <c oughs> ฉะนี้ตีเรียกว่าไม่ต้องมีรสชาติเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ได้หมายความอย่างนั้นแต่หมายความว่าคนเราเนี่ยมันจะรู้ว่าว่อาอ่านี่จืดไปนะนี่เค็มไปนะถ้าคุณมีสติรู้ตัวแล้วคุณจะทำไม่ตามนั้นเราก็ไม่ทำใช่ไหมเราก็เออจะลดลงมา เพื่อให้มันอะไรอ่ะให้กิเลสของเราเนี่ยมันลดลงแต่คุณยังรู้ไหมว่าอะไรอะไรเค็มอะไรหวานอะไรจืดรู้ไหมรู้สิถ้ามีสติมันรู้ตัวมันไม่กลัวว่าเดี๋ยวทำอย่างนั้นแล้วอารมณ์ก็จะจืดจางหมดกินอะไรก็ไม่รู้เรื่องชิมอะไรก็ไม่รู้รสชาติใช่ไหมพูดคุยกับใครหรือว่าดูหนังละครอะไร เขาหัวเราะกันแล้วนั่งช่ยหมดอารมณ์หมดความรู้สึกไม่ใช่นะไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะไอ้อย่างนั้นเขาเรียกว่าด้านชาอย่างนั้นเขาเรียกว่าด้านชาแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยอไม่ถูกนั่งปฏิบัติธรรมนี่มีความรู้สึกที่ดีที่ไวด้วยรู้เร็วด้วยโอ้ยอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้กิเลสเราก็อย่างนี้กิเลส เ, เ, เขา คุณรู้ตัวได้ไวด้วยนะแต่ตอนนี้ไม่ใช่รู้ตัวไวอย่างเดียวไวแล้วปรับด้วยปรับได้ด้วยปรับได้เร็วด้วยใครยิ่งปฏิบัติได้ดีก็ปฏิบัติตัวเองได้ไวพวกเราเนี่ยปฏิบัติทำกันมาจริงนะเราก็รู้ว่าเรายังมีกิเลสอยูนะ่สายโทสะก็รู้ว่าสายโทสะสายราคะก็รู้ว่าสายราคนะเอาสอสายใหญ่ๆนี้ก่อน เรารู้ตัวเราดีเพราะว่าการปฏิบัติธรรมอย่างของชาวโศกเนี่ยพ่อท่านพยายามย้ำพยายามสอนอย่างนี้มากทุกวันนี้ก็พยายามเอาเตชชวิโชมานะให้พวกเราได้ฝึกพวกเราได้รู้นะท่านก็เน้นยำ้ำจริงๆสมยัยพุทธกาลก็เหมือนกันแหละภิกษุหลายๆรูปนะจำนวนมากที่บรรลุธรรมเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็บรรลุโ ด, ดยเตชชวิโชบรรลุโ ด, ดวยวิชาสาม นะไปไปศึกษาไปอ่านดูได้ประวัติพระอาหารหันต์หลายๆรูปเลยจำนวนมากเลยที่บรรลุธรรมด้วยเตวิโชนะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่พ่อท่านพยายามมาย้ำ ม, มาสอนพวกเราเนี่ยเพื่อให้พวกเราเนี่ยมีสติแบบสังพดชงนี่แหละนะหรือว่าบุกเพเป็นนะแล้วก็รู้รู้มีสติมีสติรู้ตัวเราเนี่ยให้ไวขึ้น ไม่ใช่ไวแบบชนิดที่เรียกว่าอะไรอ่ะใครว่าเราเนี่ยโอโ้โหระยะตั้งหลายสิบเมตรยังได้ยินเลย้ <c oughs> นะใครว่าเราใครประชดประชันเราโอโ้โหหูไวมากนะไม่ใช่ไวแบบนั้นนะไวแบบแหมใครทำอะไรไม่ถูกใจไม่ชอบใจตาไวนเห็นได้เร็วจริงๆมันถูกส่วนหนึ่งแต่ตอนนี้จิตของเราเนี่ยไม่ใช่ไวแบบในทางกิเลส่ย ไม่ให้ไวในทางแบบเพ่งโทษแต่ไว้แบบโอ้โหจับอารมณ์จิตเราได้ว่าอกิเลสเราขึ้นทํางานอีกแล้วพอจับได้เราก็รีบปรับเลยซึ่งแต่และแต่และ ว, วิธีการปรับก็แล้วแต่บุคคลซึ่งใครก็ต้องรู้ศักยญาติของตัวเองว่าตัวเองเนี่ยใช้วิธีไหนแก้แล้วถึงจะเกิดผลกับตัวเอง ไม่ใช่แบบว่าบางทีเห็นคนอื่นเ็าทำมันยังไงเราก็ทำตามเขาซึ่งบางทีสักยะหรือกิเลสของเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะ่ะแต่ละคนบางทีไปใช้อย่างเขาแล้วมันก็แก้ไม่ได้เพราะนั้นก็ต้องรู้จักพิจารณาเองด้วยนะหรือว่าถ้ายัางพิจารณาไม่ได้ก็บางทีไปปรึกษาไปไถ่ถามผู้ที่สามารถที่จะแนะนำสามารถที่จะบอกลก่านะให้เราเนี่ย รู้เข้าใจแล้วก็เอาไปใช้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดมรรคผลกับตัวเองอันเนี้ยก็จะเป็นผลดีแล้วก็จะเป็นผลสูงแล้วก็จะช่วยทำให้พวกเราเนี่ยอยู่ร่วมกันผาสุขขึ้นเพราะถ้าแต่ละคนเนี่ยพยายามสังเกตตัวเองดูตัวเองแก้ที่กิเลสตัวเองก่อนเนี่ยคุณเชื่อมามลดปัญหาไปได้เยอะเลย